ทำโลกีทำโลคุตระทำโลกีก็มีอยู่ประจำโลกทำโลกุตระก็มีอยู่ประจำอริยธรรมต่ากว่าสุปฏิปันโนลงมาเป็นทำโลกีนับแต่สุปฏิปันโนไปเป็นโลกุตระธรรมโลกุตระธาตุก็เหมือนกันธาตุสองโลกีธาตุโลกุตระธาตุ โลกีธาตุก็ต่ ja. <Mighty>. ํากว่าพระโสดาวันลงมาโลกุตระธาตุก็นับจากพระโสดาวันขึ้นไปจนถึงพระหสารโลกีศีลโลกุตระศีลโลกีศีลก็นับแต่พระโสดาวันต่ําลงมานับแต่ต่ํากว่าพระโสดาวันลงมาโลกุตรศีลก็นับแต่พระโสดาวันเป็นต้นไปจนถึงอรหัตศีล โลกิยสมาธิก็ต่ํากว่าพระสวัสดิวันลงมาโลกิยะสมาธิอโลกุตระสมาธิก็นับแต่พระสวสดาวันเป็นต้นไปจนถึงพระอรหันต์โลกก็เหมือนกันโลกิยะโลกโลกุตระโลกโลกุตรโลกนับไปจนถึงพระอนาคามี้าพระอนาคามีไม่ได้จัดเป็นโลก ทำคําสอนของพระสวัสดิ awan ทำคำสอนของะะทำำรรองกท า, าคามีทำำรรําคําสอนของพระอนาคามีทำำรรําคําสอนของพระรหันต์ไม่ในรอบเรือนไปไหนเลยทําของโลกีรอบเรือนด urt, เดี๋ยวก็บัญญัติอันหนึ่งเดี๋ยวก็บัญญัติอันหนึ่งบัญญัติไม่ตายตัวบัญญัติผิดบัญญัติถูกถูกก็ถูกในชั้นโลกีผิดก็ผิดกันในชั้นโลกีคําสอนใดในใจโลกธาตุ ถ้าไม่มองดูเอาสุปฏิปนโนเป็นคำสอนมันก็ไปไม่รอดสิ่งไหนที่มันวุ่นวายออกมาในโลกเนี่ยมันก็วุ่นวายออกมาจากสุปฏิปนโนนั่นเองถ้าถึงสุปฏิปนโนแล้วมันจะวุ่นวายทำไมจะตั้งกฎตั้งเกณฑ์ดีสักเพียงใดก็ตามถ้าแม้มองเอาสุปฏิปนโนเป็นแว่นเป็นกระจกเงาแล้วโลกมันก็ไปไม่รอด พวกรูปเจปโนท่านั้นเป็นผู้ปกครองโลกห้อยู่เย็นเป็นสุขคือพวกมีศีลห้าบริบูรณ์พวกเวทนาใายมุกพวกไม่ถืออยู่ยงคงกรัณฑ์พวกไม่ถือเลิกดียามดีพวกมีศีลธรรมพวกไม่ส่งเสริมกามอารมณ์กามารมณมม์ไม่ขอบเขตโทสะลมก็มีขอบเขตไม่ถึงกับข้ากับแกงกันเลย ทำาไมอย่างนั้นแล้วโลกจะตั้งขึ้นจากเพียงไหนก็อยู่ไม่ได้โลกจะเอาแต่ความเห็นของตนให้เป็นกิเลสเป็นนายหน้าตั้งขึ้นตั้งขึ้นจากเพียงไหนไมันก็ไปตามเหตุผลของมันที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองมันไม่เหมือนธรรมของพรยะยมุคคลบุคคลผู้มีกิเลสหนาะปัญญายามเพราะทุกวันนี้ เอามันเอาอาเมตเป็นสรานังคัจฉามิใครมีใครมีอามิตมากก็ชนะเท่านั้นใครมีเงินมากก็ชนะเท่านั้นเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มองดูกิเลสเลยทำไมารู้ไปสิข็ให้มีตังแล้วชนะเลย แต่ผลของกรรมก็ตามสนองกันอยู่ไม่เลี่ยไม่รอดถ้าผลของกรรมไม่มีมันก็ต้องเห็นแตกะแกอาิตต์ก็พอแล้วนี่ผลของกรรมมันมีอยู่นะี่ฉะนั้นอาิตต์จึงไม่ชนะผลของกรรมอามิตต์เต็มเป็นฟ้าเป็นดินก็ไม่ชนะผลของกรรมตกลงกรรมการไม่มีทมก็มีตัวทอ ตลอดสองตัวไม่อยู่ในหัวใจของมนุษ <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์ก็ม <textbooks anthrop oc ch> <Crime nis biom integral> <irregular> ีแต่ทําเถือนทาจริงไม่มีสักอันนี้เป็นของสำคัญมากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาเนี่ยกฎหมายจะตั้งขึ้นเท่าไรก็ตั้งเถิดกินและน่านมากตาจะพูดนั่งท่องอยู่หมดคืนตลอดวันไม่พิดสักตัวก็ตามแต่คิดใจไม่เป็นธรรมมันก็เท่าเก่านั่นเองนะ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามินะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิเดี๋ยวก็พูดแต่ปากเฉยๆมันไม่มีอยู่ที่นี่มันก็ใช่ไม่ได้ใช่ไหม <laughs> กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิ แต่พอได้โอกาสก็ล่วงละเมิดเลยเขาแต่ได้โอกาสนะอัจฉริยะก็เหมือนกันกล้ามือก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันนี่ข้อนี้มันสำคัญมากแต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับใครก็อยู่กับผู้ล่วงละเมิดใช่ไหมมันอยู่กับใครก็อยู่กับผู้ไม่ล่วงละเมิดถ้าว่าอยู่ก็มีสองอยู่อยู่กับผู้ละเมิดผู้ล่วงละเมิดกับผู้ไม่ล่วงละเมิด คำว่าอยู่มันเป็นคำกลางเห็นนั่นจึงว่าทําเป็นของกลางทีนี่ต่างคนก็ต่างมีแค่เลวต่างคนก็จะพักจะพวกขึ้นตั้งกดแต่ไอ้แค่เลวไม่ลดตําเนน่งมันก็เท่าเก่านั่นเองอพ่ออแม่เอ๋ยถูกไหมหมูมากลากไป ลากไปทางผิดมันก็ผิดเมล็ดวันมันก็ลากไปทางโมดพูดเมล็ดพึ่งมันก็ลากไปทางเกสรดอกไม้ใช่ไหมข้อนี้เป็นข้อสาคัญมากเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงบัญญัติว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระ เ, เจ้าทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วถ้ามาทานศึกษาญาณสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้พิษซืเหล่าใดเป็นทุกพิษซื้อ พิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เขารับรับถือพิกุลนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหกกินดีในเสนาสนัป่าเกจตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิกุลสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเกจอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนี่สอนพระสอนเอง แต่ฆราวาสก็อันเดียวกันนั่นแหละคำว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เป็นผู้ใหญ่มีศีลธรรมมันก็จึงจะเอาเป็นเกณฑ์ไว้ผู้ใหญ่ไม่มีศีลธรรมก็เอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้อีกเหมือนกันชาวโลกก็เหมือนกันใหญ่ก็ใหญ่แต่ชื่อสือเฉยๆไม่มีศีลธรรมมันก็ใช่ไม่ได้พระมอริหารสี่เมตตาความรักใครป่ปารถนาจะให้เป็นสุขสองกรุณาความสงสารที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ สามุติตาความพอยันดีว่าผู้อื่นได้ดีผู้อื่นได้ดีเช่นเขาเล่นเลขอย่างนี้เขาได้ถูกเลขพอยันดีกับเขาถูกไหมมันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่เป็นธรรมนั่นมันก็ต้องมีขอบเขตอเองที่อเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติความวิบัติจนเกินไปแก้ไม่ไหวก็วางเฉยซะแต่พอแก้ไหวก็แก้ช่วย สี่อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่มันสู้เงินเขาไม่ไหวเพราะคนทั้งหลายมันยินดีในวัตถุนิยมเป็นสารหนังขัดฉามิผู้ใดมีเงินมากมก็ผู้นั้นจะเป็นเจ้าชีวิตผู้นั้นแหละเป็นผู้ออกกฎหมายกฎหมายเถื่อน เพราะจิตใจไม่มีธรรมะมันลําบากลูกนแานเอ๋ยเหตุนั้นจะหนีจากธรรมะไม่ได้เพระบรามาศาสดาสอนไว้แล้วทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นั่นต้องยึดข้อนี้ไว้พิจารณาอย่าไปข้ามเลยอืถ้าไม่มีต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปไม่มีความละอายต่อบาปแล้วตั้งกฎอะไรไว้ก็ตั้ง สำหรับหลวงคนโง่เท่านั้นถูกไหมผู้ที่เป็นธรรมเรื่องอามิตเป็นสราะนักชามิเนี่ยมันสําคัญมากไม่ใช่ธรรมเป็นสราะนักชามิอาเมตเป็นสรณะนักชามิสําคัญมากถ้ากิดถึงศรรีลถึงธรรมแล้วอาเมตจะเต็มโลกเต็มสองสารก็มายอมรับอั น, นั้นมันจึงจะเป็นไปได้เราเป็นนกเป็นปลา อย่าเป็นนกเป็นปลาที่งโง่เป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอย่าไปติดเบ็ดติดแล้วของนายพานที่โปรยลอยจะชนะความงโง่ก็มีแต่ความฉลาดเท่านั้นจะชนะความเมตจะชนะความโหดร้ายก็คือเมตตาเท่านั้นจะชนะความไม่เป็นธรรมก็คือความเป็นธรรมเ ท, ำ ท, ำ ท, ำทำ่านั้นจะชนะมืดก็สว่างเท่านั้น จเจตนาความเห็นแก่ตัวก็ด้วยควา ม, มเห็นแก่ตัวเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกเต็มที่แล้วเราสอนโลกเต็มที่แล้วเราจะลาพวกท่านไปละ่ะพระบรมศาสดามนุษย์โลกสมบัติของมนุษย์โลกเราก็สอนพอแล้วเทวโลกเราก็สอนพอแล้วพุมาโลกเราก็สอนพอแล้ว นิผพานเราก็สอนพอแล้วถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ยังไม่ได้สอนมนุษย์โลกเทวโลกโค ม, มโลกเราก็ยังไม่เข้าสู่พระ า, านก่อนพระบรมศารรัตนาคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสนาของชาวโลกทั้งปวงยาพากันประมาทพระบรมศาสรนาเราไม่ได้เพียงโทษเราเลยโอ้ ตอนนั้นเราก็ยังไม่ไดทันสอนพวกมนุษย์ตอนนั้นเราก็ไม่ยังมไม่ทันสอนเทวดาและอินพรหมยมยักษ์ตลอดถึงทัทั้งไตรโลกธาเป็นความบกพร่องของเราเราไม่ไดต้ติเตียนเราเลยเราไม่ได้มีความติตเตียนเราเลยเหตุ น, นั้นเราจึงจะเข้าสู่พระนิพพานพระบรมมัสสสะแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุค ก็มาสอนอันเดียวกันตรงกันเลยไม่ได้คัดค้านพรบกันเลยไม่ได้ลบล้างด้วยไม่ได้เพิ่มเข้าด้วยไม่ได้ดัดแปลงด้วยไม่เป็นดีกาไม่เป็นอนุดีกาด้วยเป็นกฎตายตัวแล้วคือกฎของธรรมคือธาตุของไฟก็ต้องร่อนอยู่ตามเดิมจะไปเปลี่ยนให้มันเย็นไม่ได้ถึงจะดับก็าตามธาตุของไฟก็มีอยู่กฎธรรมชาติของธรรมะ มือพระสมานพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแคร์เอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดสินธาประการนี้เขาจหัสควรรักษาเป็นนิตทำของคาราวาดสีสัจสัตซื่อแก่กันธรรมะรู้ จ, จักข่มจิตของตนบ้างจาฆะสละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเห็นแต่ความตนีนนแน่วแน่มากปัญญารอบลูสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ไม่เป็นประโยชน์ ชาวโลกตั้งกฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกขึ้นไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดคําสอนพุทธศาสนามันตายตัวแล้วสิ่งไหนที่ส่งเสริมต่อเติมราคะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ส่งเสริมต่อเติมโทสะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ส่งเสริมต่อเติมโมหะความหลง ว่าไม่มีบาปมีบุญให้เพิ่มขึ้นวอยไม่มีบัคผลให้พาให้เพิ่มขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คําสอนพระพุทธศาสนาเหตุนั้นจึงลดตําแหน่งลดตําแหน่งกิเลสไม่ให้กิเลสเป็นนายหน้าถ้าให้กิเลสเป็นนายหน้าชิ้นห้าเขไม่ต้องมีไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปคือกิเลสเป็นนายหน้า ถ้าเายต่อบาปกลัวต่อบาปแล้วกิลเลสเขามาได้เป็นหัวหน้าพวกของพวกเราก็กิลเลสก็คือความหลงนั่นเองของที่เป็นโทษไปบัญญัติว่าเป็นประโยชน์ของที่เป็นเวรเป็นภยัยไปไปบัญญัติว่าเป็นไม่เป็นเวรเป็นภยัยพระสุปฏิปนุพระสารบาลไม่ได้กิลเลสไม่ได้เป็นหัวหน้ามีแต่หน้าที่ มีหน้าที่จะชนะกิเลสอยู่ต่ำกว่านั้นลงมาต้องเป็นบ่อยของกิเลสกิเลสเป็นนายหน้าชุปฏิปันโนกิเลสไม่เป็นนายหน้ามีแต่หน้าที่จะเป็นนายกิเลสมีหน้าที่จะยุบกิเลสออกจากคันธสันดานไม่ได้เรียงกิเลสไว้มีหน้าที่จะตัดหนทางกิเลสชุปฏิปันโน ตามก่อนนั้นลงมาบอกไม่ถูกเป็นน้มไหลวนเป็นคนหลายใจวนอยู่อย่างนี้มันก็บอกว่าใช้หันขว้า ห, หันกำลังหันบางทีก็ทำบุญก็ไปรับบุญบ้างบางทีทาบาปก็ไปรับบาบ้าบางทีทำดีก็ไปทาได้รับผลดีบ้างทำชั่วก็รับผลั่วบ้างวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ความดีไม่บานหน้าความดีบานหน้าก็คือสุปฏิป น, นูความชั่วก็นับวันน้อยน้อไป มนุ์สมบัติก็นับวันเต็มภูมิสวรรคสมบัติก็นับวันเต็มภูมิพรมสมบัติก็นับวันเต็มภูมินิพพานสมบัติก็นับวันเต็มภูมิต่อไปถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นน้าไหลวนอยู่อย่างนี้เหตุนั้นจึงทิ้งการปฏิบัติธรรมะไม่ได้เราภาวนาอจุอสุภะเราภาวนาทาไหมก็ภาวนาเพื่อลดตาแหน่งลาคะ เรารักษาศีลแล้วก็ภาวนายัางยังภาวนาอีกเพียงศีลเท่านั้นก็นยังไม่พอต้องภาวนาเพิ่มอีกเราภาวนาแผ่เมตตาทําไมจึงแผ่มเมตตาเพื่อลดตําแหน่งโทสะเราภาวนาเห็นอนิจจังภาวนาอะไรเพื่อลดตําแหน่งความหลงมาเป็นของเที่ยงเราภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเพื่อลดตําแหน่งอะไร เพื่อรดตำแหน่งว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแยกผมขนเล็บฟันออกแยกหนังแยกธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกผมขนเล็บฟันหนังเลืองกระดูกยอดเนกระดูกม้ามหัวใจตาพรางผือไตปอดไตใหญ่ไตเล็กอาหารใหม่อาหารเก่าย่อยออกมาให้เป็นกองรินดีสเสน่ห์น้องเลือดเหงือมันค้นน้ตาปเปียวมานนําลายน้ามูกน้าไข่ข้อน้มูดย่อยออกมาเป็นธาตุน้ำออกกลางเนี้ ลมพัดขึ้นบังบนลมพัดลงบังต่ำลมในท้องลมในท้ายลมพัดไปตามตัวลมพัดใจเข้าลมพัดใจออกย่นมาเป็นธาตุลมเอามาไวนไาาไาาา้นีไ่ไฟที่ยางกายให้กวนไฟที่ยางกายให้กวนกบายไฟที่เผาอาหารให้ ย, อย่อยไฟที่ยางกายให้สุดโรมไฟที่ยางกายให้กวนกบายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยย่าย้ยายออกมาจากรูปขันไงย้ยายรูปขันออกมานี่ก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้ํานี่ก็ธาตุไฟนี่ก็ธาตุลมตัวเราเขาไม่มีอ ก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมธาตุนี่เพื่อแยกออกถอนความหลงอันละเอียดปลดความหลงอันละเอียดปลดตำแหน่งความหลงอันละเอียดตัวเราตัวเขาตัวสัตว์ตัวบุคคลก็เลยไม่มีเพราะพราะมีแต่ธาตุดินน้มไฟลมนี่ธรรมะชั้นสูงแล้วก็ศีลก็ชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงอันนี้ก็ขึ้นไปด้วยกัน ชาวโลกอนุมานอยู่อย่างนี้มันออกมาจากประตูไหนมันก็ออกมาจากประตูสินห้าใช่หรือไม่นั่นที่อนุมานอนุมานออกจากประตูไหนออกจากประตูสินห้าประตูใดประตูหนึ่งใช่ไหมการฆ่าการแกงก็ออ ก, ากมาจากปาณาติบาทใช่ไหมการนักของการก็ออกมาจากอธินาทานใช่ไหมการไม่เคารพ ซึ่งกันและกันในประเวณีก็ออกมาจากการเมธสุเมชาจานใช่ไหมนั่นพระพุทธศาสนาดับต้นไฟต้นลมแล้วดับเวรภัยด้วยต้นไฟต้นลมแล้วโลกเอดมาจากไหนก็มาจากกามเมธสุเมชาจานใช่ไหเพราะมันไม่มีขอบเขตใช่ไหมนั่นพระพุทธศาสนา รักษาต้นมือแล้วแต่พวกเรารักษาหลังมือมันมันก็ไม่ทันใช่ไมืมมิหนําซ้ำํำพากันออกอบายมุขเดินนัดฉี่ครั้งเแล้วให้มาให้พระเทศยังไงกเทศดูเพราะไม่ช่วยพระรัฐบาลไม่ช่วยพระสามีให้พระเทศจะเทศยังไงรัฐบาลออกหวย เดือนนี้สามข้างสี่ข้างแล้วให้พระมาเทศบ้าจริงแล้วก็พูดอย่างนั้นก็อบัยามุก่มันเป็นอนรามานอยู่ทุกคำย่อภ า, ายามุกมันก็ไปล่วงศินห้าใช่ไหมนั่งมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิต้องๆต้อบายามุกนี่เรื่องชิบหายเราไปบัญญัติว่ามันเจริญมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ อบายมุกกับไฟเผาโลกก็อันเดียวกันอาบายมุกกับมนุษย์ด้วยบัตรก็อันเดียวกันเมื่ออบายยมุกเป็นสนนังคัจฉามิเต็มโลกแล้วจะหาสินธรรมมาจากประตูใดล่ะนั่นนี่สําคัญมากความชื่อผ a l i ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจือญมากขึ้นเหตุนั่นควรละเสีย ถ้าละแล้วความเจริญที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเหตุนั่นควรให้มีในสันดานนี่เป็นของสําคัญมากถ้าโมมากลากไปอพวกเราก็อย่าพลากไปกับเขาสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวอัติเหอัตโนนาตโถตนเป็นที่พึ่งของตน สิงไหนที่เรามองเห็นชัดเจ้ามันเป็นทางชี้หายเราเขาจะไปร่วงละเมิดซิเอาตัวรอด็นยอดดีแล้วจะหุกเขาหมดทั้งโลกไปพระเนรพานด้วยกำลังหักตายถกูกไหมซูกไหมนั้นเขาพายกินขี้เรากินไหมเราก็ไม่กินเรามีปัญญาอยู่เพราะเราห่ะหาอื่นพอกินได้อยู่เราไม่กิน โรคเขาพาเป็นว่าอย่างนั้นอะก็ทําพาเป็นทําไมไม่เป็ น, น, นพระบรมศาสดาเอาทำพาเป็นเอาทำที่มันดีพาเป็นไม่ใช่อคุสนธรรมอกุศนธรรมเอาทุตจิตธรรมพาเป็นไม่เอาทุตจิตธรรมพาเป็นศีลนี้เป็นหน้าที่เขากับเราจะพิจารณาทั้งนั้นแล้วเจอปัหาความสุขเจอปัหาความสุขที่ไหนถ้าเราไม่เว้นอบายยมุขนั่ะ เงินเดือนเท่าไใดก็ไม่พอใช่ไหมขึ้นเงินเดือนให้ใชพวกพ่้าเขาก็ขึ้นเหมือนกันใชพวกชาวนาเลยจะตายท น, นี่นั่งไม่สันโดษสันตุถี ป, ปรมังทนานังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแต่พวกที่มีเงินเดือนนี่ก็ ขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนให้ก่อนซื้อรถเบ้นอีก ท, ท, นนทีนี้นั <f cool> ่นทำไมทันสักทีเลยนั่นเล่นเลขอีกเสีด้วยนั่นเล่นเลขอีกเสียด้วยขึ้นเงินเดือนให้ข <ths> ึ้นเงินเดือนให้แล้วซื้อรถอีกทีนี่ไม่สมฐานะแล้วก็พากันขี่รถเบ้นมาแข่งกันแล้วก็เล่นเล่นเลขแข่งกันมันเท่าไหร่มันก็ไม่พอไอ่พอ่อไอ่แม่เ อ, อ๋อ <f art> ส่วนชาวนาลนะนั่น มือเช็ดน้ำตาแล้วก็ดำนามือเช็ดน้ำตาแล้วก็ดำนาที่นี่ถูกไหมชาวสวนกับเงอนกันนั่น น, นัพระขอเขากินยังไงมันก็ไม่ตาย <laughs> ขออย่าไปเล่นเลขพระขอให้ปฏิบัติเท่าที่ควรก็พอได้กินได้ขี้อยู่ก็พอได้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ไม่ได้บวชมาปฏิบัติเพื่อกินเพื่อขี้เฉยบวชมาเพื่อคนทุกข์นะวัดราชสงศาลนะ พูดหยบๆเหมือนลูกๆรคลนๆลาพูดแบบลูกโรคลนหลานทำไมจึงภาวนาพุทธะก็เพราะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น สองเมตตาแผ่เมตติกิจชิตจะให้สัสตว์ทั้งปวงเป็นสุขส่วนาสามอสุภะพิจารณาร่างกายตัวเนี่ยผู้อื่นหเห็นเป็นไม่งามสี่มานนัสติและนึกถึงความตายจะมาถึงตนกรมมัฐานสีอย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิสิตพระบ ร, รมศาสดาพ ร, ะ ร, ะราะความลมหายใจเขาออกเขาได้วันคืนของผู้สนใจในธรรม เป็นวันคืนที่มีค่าวันคืนของผู้ไม่สนใจธรรมเป็นวันคืนที่ประมาทแต่วันคืนไม่ได้ประมาทแต่ตัวของตนนั่นเป็นเป็นตัวของตนประมาทตัวของตนไม่ค่าไม่ใช่วันคืนไม่ไม่ไม่ใช่วันคืนม ไ, ม, ไ ม, นนม่ค่าหรือไม่มีค่ามันก็มีแต่มืดกับสว่างเท่านั้นมันไม่สําคัญเราบันขาลทุนุดกําไรอะไรหรอกเราสมมติเฉย ชีวิตของผู้ใดสนใจในธรรมชีวิตของผู้นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าถ้ามาอย่างนั้นก็ตรงงานข้ามชีวิตของท่านผู้นั้นจะก้าวหน้าไปสู่ความเจริญจนถึงพระนิพพานดับทุกในวัตฏ์สองสารอารมณ์เป็นเครื่องนั้นึกถึงอารมณ์ที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นจงนึกให้มากๆเถิด จงตั้งค่ายติดต่ออารมณ์ในที่ตรงไปตรงมาเป็นของธรรมะพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่สเสววงหลังสำหรับนอนแต่ขวาน้าไม่นอนลิ้นสสำหรับเลียมรถแต่ของเผ็ดจัดเขมจัดก็ไม่ลียมกายสำหรับถูกต้องแต่ของแข็งหรือ เป็นเหล็กแหลมหรือจะปวดก็ไม่ควรใจสำรับนะึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นปโยชนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามานะึกคิดนิดจมะการนางเส้ยโยใข้ครวรเสียก่อนแล้วจึงทาเสียเลยดีกว่าถึงแม้จะผิดก็ไม่ถึงกับนับสิบไม่ลุกถ้าไม่ไข้ครวญกระเพื่อดผ้าแล้วก็นับสิบไม่ค่อยลุกเหมือนตกเหี่ยว คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแต่ต่ําไปหาสูงจนถึงมรรคผลนพานจนเข้าสู่พระนิานเลยวิชาใดในใตจโลกธาจะเสมอเหมือนวิชาในทางพุทธศาสนาไม่มีเลยวิชาทางพุทธศาสนาเป็นวิชาก้าวหน้าไปสู่ความเจริญสงสารไม่ใช่วิชาจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร วิชาพระคุตตสัสน า, ธาเป็นวิชาก้าวหน้าไปสู่ความเจริญคือพระนิพพานไม่ใช่วิชาวนเวียนในวัฏฏทุกข์เป็นเครื่องปราบกิเลสความหลงไม่ให้มีอำนาจเคยได้หลงมาแล้วเคยถูกแพร่ความหลงแล้วใครเป็นนักมวยเอกใครเป็นนักรบเอกก็คือพระหันเท่านั้น ชนะโลกทั้งสามแล้วคือชนะความหลงของตนข้ามทะเลหลงไปสักเรียกว่านักมวยเอกเรียกว่าทหารเอกเรียกว่านับรบรักรบเอกแต่พวกชาวโลกของเรายัางหนานแน่นอยู่ด้วยกิเลสก็เวนสนองเวนภัยสนองภัยวุ่นกันอยู่ผู้บรารมีแก่กล้ามาแล้วก็เลือบใสในพระพุทธศาสนาไม่วางเลยผู้ว่ายจะมียังอ่อนอยู่ก็เท่ากับดึงขาเต่า ดึงมาแล้วก็ตบขึ้นดึงมาแล้วก็ตบทีนี้จะภาวนาจะพากันภาวนาอะไรก็ภาวนาซะยินดีมากที่เห็นพวกพี่น้องชาวพุทธสนใจในพระพุทธศาสน า, ษาถึงจะมีน้อยก็ยังดีพระบรมศาสน า, ามาเทศนาเอาแต่ละ ยุแต่และยุค ก, ก็ได้เพียงเขาโคส่วนคนโคไม่ได้ก็ปล่อยไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าก็ยังนีกว่าไม่ไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้นผู้ทําชั่วก็ไปเป็นพยานของพระบรมศาสนาผู้ทําดีได้รับผลดีก็ไปเป็นพย า, ขพา น, า น, ปปนยาของพระพุทธศาสนาผู้ทําชั่วได้รับผลชั่วก็ไปเป็นพยานของ พ, พุทธศาสนา นั่นเราบอกแล้วทำอย่างนั้นต้องในผลอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องในผลอย่างนี้ใครเป็นหนะเอกก็พระสมมาสัพพะเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นเป็นโหนะเอกทายไว้ไม่ผิดเลยตรงกันเลยกรรมและผลของกรรมย่อมตามสัตว์ไปอยู่ทุกภพทุกชาติจนถึงเข้าพระนิพพานโหนะเอกพระพุทธศาสนา หายใจเข้าข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราอโลกแต่ไปด้วยความเกิดขึน้นแปรปรวนและแตกสลายไปเว้นไว้จะไม่ต้องการหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เห็นกายย่สังขารแล้วเว้นไว้จะไม่ต้องการพูดแต่ละคําละคําก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นแล้วจึงพูดพอนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปพอพูดไปแล้วก็ล่วงไปแต่ละคําละคำนั่นนี้คืออนเน จ, จังอันละเอียด ใช่ไําฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ก็ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ทําทั้งหลายเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นพระบรมศาสลาจึงยืนยันว่าเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมุติเรารู้วอมุตตามเป็นจริงของเอมุติ เรารู้ธรรมฝ่ายเกิดดับตามเป็นจริงของธรรมฝ่ายเกิดดับเรารู้ธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ดับตามเป็นจริงของธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ดับแต่เราไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงไม่มีเราชนะความหลงไปแล้วประบรมสาราแต่พวกเธอสร้างบารียังไม่แก่กล้าก็จําเป็นก็ต้องเป็นธาตุแทนความหลงอยู่นั่นเองเธอทั้งหลายจงเรียบสร้างวารามีเถิดนะ เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระบรมศาสดาไฟกำลังไหม้พวกเธอทั้งหลายอยู่พวกเธอทั้งหลายพวกนี้จึงจะดับมันจะถูกไหมพระบรมศาสดารีบดับเถิดเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังชีวิตมีนิดเดียวน้าข้างใบบัวไม่มีใครจะรับประกันได้ว่าจะตกในวันนั้นวันนี้พระบรมศาสดา หรือไม่ฉะนั้นก็เหมือนต่ำน้ำที่ฝนตกลงมาปักปักปักปักระกรแตกสลายเลยชีวิตของพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังสิ่งไหนที่ยังไม่ทำสิ่งไหนที่ยังไม่ได้แก้กิเลสโรคโกรธหลงให้พากันเรียบแก้ซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังอย่าตายคาโรคคาโกรธคาหลงเลยต้องทำให้แก้งซะพรบรมศาลานะ ถ้าลงไปสู่นรกแล้วก็หลายปีหลายเดือนหลายวันจึงจะเพลกมาเป็นสัตว์อีกยังจะเพลิกพลคมาเป็นมนุษย์เองเหตุนั้นจึงปิดประตูนรกซะคือสุปฏิปันโนสุปฏิปันโน ป, ปนโนิดตประตูนรกไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดเส้นห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายมุก ไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเรื่องดียามดีไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ได้อยากค่าขายเครื่องปหารค่าขายมนุษย์ค่าขายจะเป็นรายเรื่อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้ายอย่างนี้พระสุปฏิปันโนไม่ใช่ได้เร่วงละเมิดเลยสิ่งใดไม่ใช่ได้เร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจ ความดีคนดีทำนดยง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากตรงกันข้ามถ้าเธอทั้งหลายไม่ปิดประตูอบายยมุกแล้วก็ไม่เป็นที่ไห้ไก่ก็เป็นเครื่องอบอุ่นล่ะเครื่องอบอุ่นและที่พึ่งของพวกเธอยังไม่มีจงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามเท่าข้าสู่พระนพานซะพระบรมสาราไม่ลำ บ, บากความดีคนดีทำนดยง่ายไม่ลำ บ, บากเลยไม่หนักใจเลย ขอยืมขอยืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเคารพบ้างเรียวจะเอาไปส่งเราก็้ามาในว่าเพระอยู่ที่หัวใจของเรารับกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามเท่าข้าสู่พระนิพพานพ้นจากทุกนวตาสงสารโวยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เถิดปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงอยู่ทุกข์ว่าไม่มีประมาณเธอะ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนพาลสมบัติมีเท่าใดถ้าไพเจ้าจะทูลถวายสกุลกายวายายใจตลอดถึงเนพานสมบัติทั่วทั้งไตยโลกธาตุเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนพานสมบัติบูชาถวายต่อพระธรรมสู์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณเพื่อพิ่ทุกข์นะวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี่เถิดปัจจุบันชาติก็คือปัจจุบันนักเกตปัจจุบันธรรมเราดีๆนี่เองอนีตคืออะไรคือ กองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ที่ลกยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่เห็นพื่อนกำลมหายใจเขาออกก็ได้แว้นดๆแต่ไม่ต้องการทำชั้นสูงทำชั้นสูงก็ศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงเหมือนกันเคลื่อนไปด้วยกันไม่ใช่ศีลจะไปอยู่ที่หนึ่งสมาธิจะไปอยู่ที่หนึ่งปัญญาจะไปอยู่ที่หนึ่งก็อยู่ในเป้าเดียวกันนั่นเอง เทียนหนังเนี่ยเอ็นกระดูกเนี่ยกระดูกก็ไม่ใช่อยู่คนละเป้าก็อยู่เป้าเดียวที่หนังหุ้มนั่นเองะหน้ากับตาก็อยู่เป้าเดียวกันใช่หรือไม่จิตใจกับธรรมก็อยู่กับเป้าเดียวกันเมื่อคิดใจเคารพธรรมดําไปปฏิบัติธรรมดาก็เป็นดําไปเมื่อปฏิบัติธรรมขาวก็เป็นขาวไปะเราจะเข้าใจว่าเป็นเงื่อนใหม่เป็นเงื่อนเก่าของพวกเราที่เลิกมาแล้วนั่นเอง อนเดียดคืออะไรคือความทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือความทุกข์ที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือความทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่นี่เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ก็คือยักถาภูตังสำ ม, มัปปัญญากระทัปภะรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงเป็นกายเป็นตัวศีลสมาธิปัญญากลมเกลือนกันอยู่ในตัวด้วยศีลมีตัวดวีสมาธิก็มีตัวดวีปัญญาก็มีตัวดวีถ้าใจยอดลงมาเป็นหนึ่งกลมเกลือนกันในปัจจุบันเลย ศีลตัดศินลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิทยะเพียรบรนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันยิตะเอาใจฟักใ่ในในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจช่างนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมิเหลือวิสัย ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติได้เลือกท้ามในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรนะคือทำเป็นกําลังห้าอย่างเรียกว่าพระพระคือทำเป็นกําลังห้าอย่างอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วก็เรียนวิชาเคล็ดลาบไม่มาเกิดในวัฏสงสารอีก อุปสรรคปัญญาเวเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกเป็นเหตุให้นักปราชญ์เบื่อหน่ายโลกนัดที่เรเกล้าหัวดามะความรับไม่มีในโลกเรานึกอะไรเราก็รู้อยู่เราไม่นึกเราเห็นอะไรเราก็รู้อยู่ไม่มีความรับเลยในโลกเราเลื่อมใสใพระพุทธศาสนาเราก็รู้อยู่เราไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเราก็รู้อยูน่นัดที่เรเกล้าหัวดาวะความรับไม่มีในโลกเราโลภอยู่ เราก็รู้จักเราดังเกียดใครเราก็รู้จักอยู่เราไม่ดังเกียดใครหรือจิตเราอยู่ตามธรรมดาเราก็รู้จักอยู่หรือเรารู้ตามเปจริงเราก็รู้จักอยู่คนมีมากอย่างนี้ถ้าเราจะทําให้ลงถึงธาตุได้ไหมจะมีมากสักเท่าไหรก็าตามก็ย่นลงไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมซักะก็ย่นได้เหมือนกันจะมีมากสักเพียงใดก็าตามคนในไต่โลกท่าน ก็ย่นลงมาเป็นสังขารโลกใช่ไโลกคือสังขารเกิดดับแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายจงย่นโลกลงมาเป็นหนึ่งคือสังขารในกองทุกพระเนี่ยผ่านไม่ต้องย่นเพราะมันมีเกิดไม่ไม่ไม่ไม่มีดับแล้วไม่มีไม่ไม่มีทุกแล้วก็ไม่ต้องย่นไม่ต้องขยายจะขยายแล้วย่นก็แต่โลกเท่านั้นความรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาพระบรมศาสตร ธดาสอนความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความเิีนให้ตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิความรับรู้ในสัขงสขารชื่อว่าปัญญาโทษที่เกิดเพราะความละเมิดหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเห็นสังขารรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมหายใจออกข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นสังขารรอบหนึ่งแล้วเพราเกิดดับร่วงไปแล้วเพียบหูเพียบตาเหมือนกัน นึกขึ้นก็เหมือนกันเ็าเห็นสังขารรอบหนึ่งแล้วเขาเห็นโรครอบหนึ่งแล้วเหมือนกันคือโลกอันละเอียดเกิดดับไปแล้วแต่ตื่นขึ้นมานี่เราก็พูดเราก็นึกเราก็คิดเราเอาไปขายที่ไหนมันล่วงไปแล้วเหมือนำนำําไนสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็จะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็จะดับในอนาคต สังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็จะดับไปในปัจจุบันอันนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาชั้นสูงชั้นจะลุดพ้นจากความหลงอันนี้จะไม่ ย, ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกด้วยอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไ ม, มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่มันจะสักว่ารู้เป็นตักว่าอยู่ล่วงไปแล้ว ผู้ใดไม่ยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นทักว่าลูกเป็นทศกว็เห็นผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วผู้ใดรู้ตามเป็นจริงว่ากายเป็นทศกว่ากายเวทนาเป็นทักว่าเวทนาจิตเป็นทศกว่าจิตธรรมเป็นทักวว่าธรรมชัดด้วยปัญญาญาณของตนเองก็ผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปอีกเหมือนกันผู้ใดรู้ผู้ใดรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีต ผู้ใดรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตผู้ใดรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันผู้นด้ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วผู้ใดไม่ยึดยั่นผู้ใดไม่ยึดมั่นว่าจิตเป็นตนๆนเป็นจิตไม่ยึดมั่นเอผู้อื่นเป็นจิตจิตเป็นผู้อื่นเป็นแต่สักว่าจิตเป็นแต่สักว่าธรรมเป็นเป็นสักว่ารู้ด้วยปัญญาอันชัดผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปอีกเหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีมาก ที่มีมากกเพราะโบหารโวหารก็ให้หารลงมาหายใจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านถ้ายอดลงมาก็ยอดลงมาหารักหน่วยใช่ไหมจะมีมากสักเท่าไหรก็ตามในโลกก็มีแต่สังขารและกองทุกข์ใช่ไหมพระนิพพานมาเไี่ ย, ยมดมาทุกข์ด้วยใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังอยู่เดียวนี่ก็คือสังขารและกองทุกข์พระนิพพานไม่ไดมาพูดไม่ไดมาฟังด้วยนั่น ในด้านปาัญญาเรียกว่าปาัญญาเรียกว่าวิปัสนาธุระธุระทางปัญญาปัญญาเป็นหัวหน้าของศีลและวัสมาธิเป็นปัญญาของธรรมทุกหมวดเหตุนั้นอยากทำอะไรอะไรเป็นนายหน้าเขาจึงเอาผู้มีปัญญาเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้หาความสุขในโลกเก่ง ก็พลัดหันหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสักปัญญาเหนือความหลงของตนแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้สติปัญญาเหนือความหลงของเจ้าตัวแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อชนะสว่างชนะเมื่อแล้วก็เมื่อก็ตั้งอยู่ไม่ได้พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นคนโง่สอนให้ฉลาดเพราะเราโง่มาแล้ว เดี๋ยนี้อาวิชาฉลาดต่อสู้ความโง่ชนะก็ชนะกันอยู่นี้แพ้ก็แพ้กันอยู่นี่เมื่อในแพ้ที่อื่นไม่ชนะที่อื่นชนะกันอยู่ที่เมืองไกลนี่เองเมืองไม่รลดไม่โกรธไม่หลงก็ชนะกันอยู่ที่นี่เมืองรลดโกรธหลงจัตเวก็ทวีกันอยู่ที่นี่ก็มีศึกรลดโกรธหลงกับสุขสติกับกองทัพสติปัญญาเท่านั้นศีล ส, สมาธิปัญญาก็ว่า โรคกวดหลงก็ว่าต่อสู้กันอยู่นี่ชนะ ก, ก็ชนะ ก, กันทีนี้ก็ไม่มาก่อพพก่อชาติอีกถ้าชนะเลยวะวิญญาณมสทิก็ไม่เสียดายอยากมาเลยเดหลาบมาเรียนวิชาเดหลาบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนวิชาเดหลาบไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัตาธงศารเนี่ยมันเป็นทุกข์ มีเงินมากเกินไปเขาก็มาเฉียดคอเหมือนกันอไม่มีก็ไม่มีที่กินเหมือนกันอในโลกอันนี้รถชีทีติพระบรมศาสดาไม่ให้คะแนนเลยแปลว่าผู้ย่อยยับไปคําว่าโลกรถชีทีติแปลผู้ย่อยยับไปไม่ให้คะแนนเลยพูดตามเป็นจริงไม่ได้พูดดูถูกเกณฑ์ทา พูดตามเป็นจริงเรียกว่ายถาภูตังสมัมมปัญญายทัตตังพูดตามเป็นจริงเรียกว่าไม่ํำเอียงรุชีตีติแพร่ผู้ย่อยยับไปเข้ามาโลกนะโลกทางปวงกับสังขารทางปวงกับทุกทางปวงก็มีความหมายอันเดียวกันชาติพิทุกขาเนี่ยตูมเดียวเลยถูกวัดไม่มีใครคาดค้านในเลยชาติพิทุกขาเน่ตูมเดียวถูกทั้งรรทั้งตโลกทัเลย ก็ผมไม่เป็นทุกข์ดิฉันไม่เป็นทุกข์ไม่มีใครคัดค้านได้ชราพิทุกขาตูมอีกถูกปัดทว่าทางใจโลกธาตุมานำพิทุกขังตูมอีกก็ถูกปัดัว่าทางตจโลกธาตุความโศกเป็นทุกข์ตูมอีก็ทกขถูกปัดท้งตจโลกธาตุความปาถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ตูมอีกก็ถูกปัดท้งตจโลกธาตุ ประสบสิ่งใดที่ไม่เป็นที่รักสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตูงอีกก็หมดทั้งใจเรากระทำเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงจงพ้นไปซักคำว่าเรามศาศาสล า, ศ า, ศ า, ศาคนหูนหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแยเห็นก็คนหูนหวนวกก็มีแก่เก็บตายมันการลงประดิญซินั่นนคนแก่คนเก็บคนคลอมก็หลังหลังตรงไว้อย่างนั้นก็เพราะเห็นได้ ท่านบอกเป็นบุคลาเทศฐานมันก็ถูกหมด่ะคนแก่เก็บตายคนเท่าคนอะไรอะไรเกิดชายปีติพทุกขาถ้าเกิดเป็นเอ็นเป็นพรมเป็นพยมพกาญชิตตัวรกบานทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์หรอกไม่มีเลยชาติีติพทุกขาเป็นทุกข์เลยข้าทาเมชาตนะไม่ในเว้นเลยลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารเจ้าปวงเรียกไตร ล, ลักษณะอ น, นิจจตาคนเป็นของไม่เที่ยงอนัตตาอทุกขตาคนเป็นทุ ก, อทกขอนัตตาคนเป็นของไม่ใช่ตน ลักษณะที่มีแก่สังขานทาั้งปวงเรียกไตรลักษณะแก่เป็นสามอย่างหนึ่งอนิจจตาความไม่เที่ยงสองทุกขตาความเป็นทุกข์สามอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกไม่ใช่กคนละมุมโลกแม้ที่ยงอยู่ที่ใดทุกข์ก็อยู่ที่นั้นอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็อยู่ในที่นั้นมโนอนัตตาธรรมาอนัตตาใจก็ไม่ยืนยันว่าเป็นตัวตนอีกด้วย ทำทั้งหลายที่ไหลมาสู่ใจก็ไม่ยืนยันว่าเป็นตัวตนเองเสียด้วยจะขุ่งอนัตตารูปาอนัตตาอตีตาอนัตตาอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลอนาคตก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตบคุคคล ป, ปัจจุบันนาอนัตตาปัจจุบันก็ไม่ใช่สารไม่ใช่บคุคคลตัวตนเราเขาท่านพูดนั้นข้ามทะเลหลงไปแล้ว พระบรมศานามีนิดเดียวทําความสอนพระพุทธศาสนาไม่ได้มีมากถ้ารู้อันหนึ่งก็รู้หมดถ้าหลงอันหนึ่งก็ต้องหลงหมดถ้าหลงดินก็หลงน้ำหลงไฟหลงลมเหมือนกันถ้าหลงหนังก็หลงกระดูกหลงเนื้อเหมือนกันนะถ้าหลงตาก็หลงหูหลงจมูกหลงนิ้วหลงกายหลงใจเหมือนกันถ้าหลงใจก็หลงอันอื่นหมด ใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตานุปัสสนากำหนดพิจารนากายเป็นอารมวากา่นี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา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 ถ้าพิ่น้อยก็ยังมีอีกพระทาเฮียไปรบกวนพระบรมศาสราให้เทธอฟังเออเรากกำลังบินทบาทเดี๋ยวนี้ไม่เป็นฐานะที่จะเทอาเทาเธอฟังบางทีพระบรมศ า, า, าสลาิ้นลมปาดีลยวเนี้ยก็ได้นะครับ บางทีกับผมเช่นลมฟานเดี๋ยวนี้ก็ได้ริ่มรองตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับเออเรารู้จักเธอแล้วพอเรามองเห็นเธอเราก็รู้จักเธอแล้วแต่เราพูดเท็จเธอหอกเดี๋ยวเราจะเธอเราจะเท็จได้ฟังเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับพอแล้วแปกฐานในปฏิสัมพิทาสี่สำเร็จพระรหารเนี่ยครับพ่อแล้วเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเนอะครับพ่อแล้ว อธิบายดูดูทีนี่เพราะไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ไม่ถือถือว่าผู้เห็นเป็นตนตนเป็นผู้เห็นมันก็ไม่มีมานะจิตมันก็รบล้าอัตวาทุปาทานความเห็นว่าตนไปในตัวซักทีนี่ยถ้าอย่างนั้นก็สวนสิก็ไม่สําคัญ <Doo> ตัวอยู่ในที่ใดๆไม่สําคัญตัวได้ตัวเสียเป็นตัสักว่รู้เป็นตัสสะว่าเห็นก็ปล่อยทิ้งผู้รู้ก็ไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของผ <alla> ู้เห็น <mari> ก็ไม er. ่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ จิตก็ไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของตกลงก็เป็นของว่าก็ข้ามทะเลหลงไปซะนะคืออนัตตาธรรมนั่นเองเป็นธรรมอันชั้นสูงกว่าเพื่อนในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อนัตตาเสียนอนัตตาสมาธิอยู่ในตัวด้วยเป็นเสียงสมาธิขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนานเป็นเสียงสมาธิปัญญาชั้นหลุดพ้นหลุดพ้นจากความหลง ที่เคยสําคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมานั่นเองนั่นนั่นเศร้าแท้แคงปวดขาบอกว่าบอกเอาบอกไปเอาบอกเศราเลยเอาบอผู้ใดสัตว์ผู้ใดสัตว์อันไหไก่พ่อวันหน้าอนนั่นแหละอ๋ออันนี้กลางแพรเทีย่ยวหัจ้างซื้อได้เข้าใจบ่เออนักเดินเรือเดินอากาศ นักข้ามทะเลนักนักบินไม่มีเข็มทิตตายหลงทิศ ต, ตายเพื่อมาให้หลงทิศ น, นี่เราภาวนาไปจะเห็นแสงสว่างอะไรก็ตามเห็นแล้วมันก็เกิดดับเป็นจะไปเห็นแสงสว่างอะไรก็ตามเห็นแล้วก็เป็นต่สักมาเห็นนะเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็ดับเป็นสิ่งนี้นที่เกิดดับเป็นสิ่งนั้นก็ไม่ควรเอามาสนใจ ก็มันเทศให้ฟังแล้วมันเกิดให้เห็นมันก็แปลปัวให้เห็นมันก็ดับให้เห็นก็แปลว่ามันเทศให้ฟังแล้วเห็นเทวะเทวะบุตรเทวดาอินผมยมยักษ์ก็ตามหรือจิตมันเบาขึ้นก็เหมือนกันมันหมดกำลังมันก็ถอนออกมาอย่างมันกันมันก็อยู่ใต้อํานาจนี้จังเมันกันอันนี้อยู่ใต้อํานาจนี้จังเมันกัน ปทมาฌานทุติยะฌานทติยะฌานจะตุติฌานมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกันก็คืออนิจจังละเอียดถ้าตายคายฌานเหล่านั้นก็ไปเกิดพรหมโลกยังไม่พ้นรุ่งเนอะแล้วปูดทาไมไม่พูดเรื่องภาวนาให้ฟังก็ภาวนานะพูดอยู่เนี่ยเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าเราจะทําจิตให้บันเทิงหายใจออกเราจะตั้งจิตหายใจเข้า เราจะตั้งจิตหายใจออกเราจะพิจารณาเนืองเห็นความไม่เที่ยงแห่งหายใจเข้าเราจะพิจารณาในความเนืองในความไม่เที่ยงหายใจออกถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกกรรมฐานอันอื่นดึงมาได้วัดเป็นจตักวารู้ว่าเห็นก็ได้เหมือนกันเป็นจตักวารู้ว่าเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นจตักวารู้ว่าเห็นผู้เป็นจตักวารู้ว่าเห็นใครเป็นผู้เย็นยันก็ผู้เป็นผู้ เป็นผู้รู้อันเกิดดับนี่เองยืยนยันผู้รู้ก็เกิดดับเป็นเหมือนกันไม่ใช่เกิดดับไม่เป็นถ้าจะเอาผู้รู้ไปพระเนพานด้วยมันก็ไม่ถูกเพราะพระเนพานไม่ได้เกี่ยวกับผู้รู้เหนือผู้รู้ไปจนไม่มีเที่ยหมายถ้าหมายอยู่ก็พอมันเหมือ น, อนก็พอมันหมนุหมนก็พอมันหมันพระเนานเหนือผู้รู้ไปจนไม่มีเที่ยหมายนั่นนั่น ถ้าหมายอยู่ก็ไม่ใช่ผู้รู้ก็ไม่ใช่พระเนปาล อาใครพ่อแน่นอนเนาะยะธาวาลิวาโพราปุเรปุเรนเจซากราเอวะเมวะโยตินังเปย์านังะกัปติอิธิทังปจิตังตุมหางเขปเมวะสเมทะตุจะเพย์ปุเรนตุสังกาปาจันโทนาราโซยะาวาณิโสทีลาโซยะธาจะพีตโยยวัชนาสะปตุโคจะภะโยสะโรโคเวนั้นจะตวารเทะวะตวนตราโยสุขีตีกาโยโกผวะอภิวานธาสีนิจานิจังวชิราปิชายโลจัตตารุ ถ้ามาวัดตันติอยวุวโนสุขังพระเราด้วยเดชพระพุทธศาสานาการทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงอยู่มีทุกการด้วยเมื่อขึ้นอยู่กับผู้ลูกและแม่ลูกเมื่อขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายจงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปนูนได้พระธรรมเทศนปฏิบัตธรรมโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอเราพอเข้าจะทธิภาวน่าไปพรันญิพาน ว่ามันเสพวานามายากกระจินขนมเยอะน้าโลกอันนี้ว่มันจะภาวานามาเกิดมาแกม า, กมาเจ็บมาตายมาแข่งกันมาแขง่งทางกระดูกกันเยอะนี่ว่าจะมาแข่งควบหลงกันเยอะนี่ของคนเสพวาน า, าแกควมหลงมั่วเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นว่มามันสัตว์ว่ามันมุขข้นนั่นน่ายไป็นได้สักว่ากายใจเป็นได้สักว่าใจคุณมาพูดว่าเท่ามาสองนี่เป็นคุณอันว่เกิดว่าดับ พดึงเขาสูพระในภาพคุณมาพระพุทธพระธประสงค์คุณมาพระพุทธพระธาประสงค์ว่ามันจะหายว่าเป็นเพลเฝ้าอยู่ในโลกอันนี้เลยคุณของพาะพุทธพระธประสงค์ดึงหนีจากโลกจากวัฏจัทรศารนี่